จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนี้ไม่ว่าจะกำลังตื่นอยู่หรือกำลังหลับอยู่ก็ตามท่านทั้งหลายทราบกันแล้วมิใช่หรือว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนพระอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่การตกไม่มีย้อนหลัง ใครจะหวงเหนียวไว้ก็มีได้อีกประการหนึ่งเสมือนสายน้ำที่ลงจากหุบผาบ่ายหน้าสู่ภูมิภาคอันเป็นส่วนต่ำเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่ถือปฏิสนธิในคันของมารดา วันคืนล่วงไปล่วงไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปชีวิตพลอยดับไปบุคคลจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดหรือมียศมีบุญมีกำลังมีฤทธิ์มีปัญญามากเพียงใดโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า ก็มีอา จ, จะหดีกเลี่ยงมัจุราได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมนุษย์ในโลกนี้ก็มีสภาพคล้ายไก่ในกรงขังนั่นเองเขาถูกขังอยู่ในโลก ซึ่งห้อมร้อมไปด้วยความแก่ความเจ็บและจบลงด้วยความตายเป็นที่หมายขั้นสุดท้ายแต่เขาเหล่านั้นหาได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่มัวสารวนยื้อแย้งลาบผลและเบียดเบียนกันโดยไม่ค่อยจะคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นและแล้วทุกคนก็ไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพ หรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกรทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี่แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์สั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงเหลือตรึงตราตรึงใจอยู่ ในโลกนี้และติดตามไปในโลกหน้าใครเล่าในโลกนี้จะรับรองได้ว่าแม้ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเรือนเดียวกันไม่เคยจากกันไปไหนเลยนั้นในที่สุดจะไม่จากกันไปจะไม่ทอดทิ้งสรีระให้นอนนิ่งปราศจากความรู้สึกในเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง ซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึ่งจะกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในทางอสสาทะคือหน้าพอใจเท่านั้นชีวิตย่อมมีทั้งในทางอาทีนวะ คือที่เป็นโทษหรือไม่น่าพอใจอยู่ด้วยใครจะประสบความน่าพอใจยั่งยืนเพียงไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ว่าดีมากหรือชั่วมากหรือสลับซับซ้อนกันส่งผลให้น่าพอใจบ้างน่าเสียใจบ้างไม่มีที่สิ้นสุด ก่พรามณ์ดีแล้วที่ท่านตั้งใจว่าจะไม่ยืมอะไรของใครแต่ข้อความที่พระเจ้ากล่าวนั้นมีความหมายอยู่ว่าร่างกายของท่านก็ดีของข้าพเจ้าก็ดีหรือแม้ของภริยาของท่านก็ดีแม้ท่านหรือข้าพเจ้าจะนึกว่าเป็นของท่านหรือข้าพเจ้าแต่โดยที่แท้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับของ ที่ขอยืมเขาใช้ชั่วคราวอาจจะต้องส่งคืนเมื่อไหร่ก็ได้และอย่างนานก็ไม่เกินร้อยปีที่จะเกินไปบ้างก็น้อยนักเราทุกคนเสมือนหนึ่งผู้ขอยืมร่างกายเขามาไว้ใช้ทั้งมีข้อผูกพันที่จะต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ร่างกายนี้จนกว่าจะส่งคืนเข้าไปแต่โดยปกติ ไม่มีใครยอมรับว่ายืมเข้ามาเพราะทุกคนล้วนประกาศความเป็นเจ้าของกันทั้งสิ้นเมื่อยึดถือว่าเป็นเราและของเราอย่างแน่นแฟ้นความวุ่นวายเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความฝังใจนั้นเมื่อใดเราพากันยอมรับว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเลย เป็นเสมือนหนึ่งขอยืมเข้ามาเพียงชั่วขณะแล้วเมื่อนั้นความกังวลห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือต่างๆก็จะเบาบางลงเปิดโอกาสให้คิดให้ไตรตรองอะไรอย่างอื่นได้บ้างบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านพอจะคิดได้บ้างหรื อ, อยังว่าชีวิตร่างกายของตัวท่านก็ดี ของภริยาท่านก็ดีมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้หรือไม่ชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพราะมีรุ่งอรุณแล้วก็สายเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็น จนลับไปโดยลำดับใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกในหนึ่งชีวิตเปรียบเหมือนอากาศกระแสน้ำหรือกองแกลบใครๆก็ไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้ฉันใดบุคคลย่อมไม่ควรยึดถือมากเกินไปในชีวิตฉันนั้น คนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักปลอบใจตนเองบ้างเลยชื่อว่าข่มเหงตนเองเป็นศัตรูของตนเองเพราะเที่ยวคิดซอกแซกให้กลายเป็นเรื่องที่นาดวิตกทุกข์ร้อนไปเสียหมดเมื่อคิดทุกเป็นก็ควรที่จะคิดผ่อนคลายความทุกข์ให้เป็นด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับที่เป็นพุทธศาสนกชนเพราะ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความดับทุกข์ดูก่อนมนุษย์คนย่อมเห็นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองนึกว่าคนอื่นไม่มีใครทุกข์และเดือดร้อนเท่าแต่แท้ที่จริงแล้วการหาคนที่มีความสุขนั้นเป็นการยากยิ่งเพราะแม้ในหมู่พ่อค้าใหญ่ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่า เป็นเศรษฐีนั้นก็มีเวลากลัดกลุ้มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขถังใจทุกใหญ่ของชาวโลก คนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากห่วงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีทุกข์ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่ง ที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงร่างกายนี้ก็จะมีอันเป็นไปดังศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักน่าชมมีแต่ศกรปกโสมมอันน่าขยะขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเราเราเองเมื่อตายไปแล้ว ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกําหนดหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างช้ามนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในที่อันแออัดยัดเยียดต้องแย่งกันอยู่แย่งกันทำมาหากินทางนี้ เพราะเขาติดในสิ่งยั่วยวนอันไม่อาจจะพระมันไปได้แรงงานที่เขาทุ่มลงไปเพื่อแลกกับความเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนนั้นมันพอจะคุ้มกันหรือความสุขที่เขาได้รับประจำวันมันพอจะสมดุลกับความทุกข์ทรมานอันเขาจาทนอยู่นั้นหรือไม่กำหนดไว้ในใจว่าถ้าได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุข เมื่อได้เข้าจริงๆเป็นเข้าจริงๆก็ไม่รู้จักพอพวกเราส่วนใหญ่ได้ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าอีกวิ่งไล่ตามอีกมัวสารวนไขว่คว้าจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่ความเป็นใหญ่เป็นโตความมีหน้ามีตาแต่อยู่ที่ความสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่มีกิเลสเบียดเบียนให้เล่าร้อนกระวนกระวายโมหะและอวิชชาเป็นความยินยอมของสัตว์ทั้งหลายที่จะขังตัวอยู่ในกรงแห่งอวิชชานี้ การมองไม่เห็นความจริงทำให้เกิดความสนุกเหมือนสัตว์อันเขานําไปสู่ที่ฆ่ายิ่งเดินไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแต่มันหารู้ไม่ว่ามันกำลังถูกนําไปสู่ที่ตายมันยังสนุกสนานเพลิดเพลินและฆ่ากันเองเบียดเบียนกันยื้อแย่งอาหารกันข้าพเจ้าเคยเห็นนกเขาตีกันบนต้นไม้แล้วลงมาตีกันบนพื้นดิน มันมุ่งหมายจะล้างชีวิตของตัวที่เป็นศัตรูให้ตายไปแต่แล้วทั้งสองตัวก็ต้องตายพร้อมกันเ พ, พราะในพลานนกย่องเข้ามาตีจนตายไปทั้งสองตัวย่าคม บางทีบุคคลที่จับไม่ดีแล้วคล่าออกมาย่อมจะบาดมือผู้ที่จับนั้นได้โดยง่ายฉันใดการประพฤติพรหมจรรย์ที่บุคคลเข้าไปประพฤติอย่างชั่วช้าเร็วสามไม่ทำให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็ย่อมจะคล้าบุคคลลงไปสู่นรกได้เหมือนกันฉันนั้นคนส่วนใหญ่กำลังดิ้นรนวนเวียนอยู่ในทุกข์อันไม่มีขอบเขต ว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนชีวิตแต่ละชีวิตกำลังกระเสือกกระสนสแสวงหาให้แก่ตนทั้งทางกายและทางใจอนิจจาเขาเหล่านั้นไม่ผิดอะไรกับคนซึ่งกำลังรอยคออยู่ในมหาสมุทรซึ่งกำลังบ้าระห่งไปด้วยคลื่นและลมแรงคลอยฟัดฟา ด, าดให้อ่อนกำลังลงมีอะไรพอจะเกาะพอจะยึดได้ ก็ยึดเข้าไว้แม้เพียงเส้นย่าที่ลอยมากับเกลียวคลื่นก็ตามชีวิตมนุษย์นี้น้อยหนักอายุสั้นพลันตายเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบ ย, ย่าย่อมพลันเหือดแห้งไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์ชีวิตนี้ถูกเพลิงคือความแก่ความเจ็บแผดเผาอยู่ ตามธรรมดาแล้วยังถูกไฟภายในคือราคะโทสะและโมหะแผดเผาให้เล่าร้อนเข้ามาอีกความตายเล่าก็ดักรออยู่เบื้องหน้าซึ่งใครๆจะหลบลีกแวะไปในทางใดไม่ได้เลยทุกคนจะต้องบ่ายหน้าไปสู่จุดสุดท้ายคือความตายเมื่อเป็นดังนี้มนุษย์ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เข้าเปลือกทรับเงินทองหรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาตกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละจะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไป เหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึ่งสะสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการมีบุตรมีภรรยา มีสามีมีทรัพย์ย่อมเป็นเหมือนกับมีเชือกสามเส้นรึงลัดคอมือและเทา้าไว้ให้มนุษย์ดิ้นรนอยู่ในวงเวียนแห่งวัตจักรนี้ต่อเมื่อตัดเชือกสามเส้นคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นและมีอิสระอย่างแท้จริงไปสู่โลกอันสว่างสวยด้วยแสงธรรม รุ่งโล่งด้วยปัญญาเพิ่งดูตัวอย่างความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากเหตุคือไฟเมื่อไฟยังลุกโผล่งอยู่ความร้อนหาได้ดับลงไปได้ไม่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นบูญเหตุฉันใดความทุกข์ก็ฉะนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตแต่มันเป็นผลเสียแล้วพระศาสดา ตัดว่าเพลิงคือกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานศัตรูอันแลงร้ายของมนุษย์คือความกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรียกว่าหน้ากลัวนั้นเกิดจากความกลัวของมนุษย์เองทั้งสิน้นเมื่อมนุษย์สามารถปราบความกลัวเสื่ได้ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรหน้ากลัววิธีที่ดีที่สุดในการระงับความกลัวนั้นก็คือพยายามวางใจให้เป็นกลางทําใจให้พ้นจากความรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรที่ผ่านมาในชีวิตก็คิดเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องผ่านไปเท่านั้นเองซึ่งเมื่อมาถึงเข้าแล้วก็ผ่านไปโลกเป็นของไม่อยู่กับที่ความเป็นไปของโลกก็เพียงผ่านไปผ่านมาจึงไม่บังควรที่จะไปยินดียินร้ายอะไรมากมายนะัก ดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายการเสียสละอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อช่วยเผยแผ่แนะนำบอกกล่าวคนทั้งหลายให้มีคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้นนั้นเป็นการให้อันบริสุทธิ์สะอาดเป็นการเที่ยวพยุงคนที่หกล้มทางจิตใจให้ลุกขึ้นช่วยคนที่ตกหลุมอันโศกโคลกทางจิตใจให้ขึ้นพ้นจากบ่อนั้น แล้วชำระล้างบนทินได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้ร่างกายภายนอกอาจจะถูกโรคเบียดเบียนแต่ถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมมีความดีมีความงามทางจิตใจแล้วก็ยังชื่อว่าเอาตัวรอดได้ส่วนคนที่ไม่มีโรคทางกายแต่มีจิตใจเต็มไปด้วยโรคร้ายหรือจิตใจชั่วผู้นั้น จะได้ประสบผลร้ายมิใช่แต่ในชีวิตนี้เท่านั้นผลร้ายที่เนื่องมาจากจิตใจอันเป็นโรคอันน่าพึงหลังเกียตนี้รุนแรงและน่ากลัวยิ่งไปกว่าผลร้ายของโรคทางกายอย่างมากทีเดียว ความตายเป็นผู้ชี้ช่องทางให้แก่ผู้ที่หมดหนทางเป็นแสงสว่างของคนมืดเป็นเพื่อนของคนชราคนจนและคนทุกพลภาพทุกประเภทความตายที่ทุกคนเกรงกลัวนั้นในบางกรณีก็เป็นการลงโทษของกรรมชั่วบางคราวเป็นผลตอบสนองของกรรมดีบางโอกาสใช้เป็นกุญแจไขปัญหาที่ตื้นตันได้ เมื่อมิมีทางออกอย่างอื่นอีกแล้วบางคนความตายจู่โจมเข้ามาถึงตัวแล้วฉุดคล่าเอาไปท่ามกลางความเสียดายความพิรารลำพันธ์ของสาธุจชนทั้งหลายแต่บางคราวความตายก็มาสถิตอยู่ใกล้ๆอยู่ในตัวคอยเตือนเช้าเตือนเย็นแต่ไม่ยอมฉุดเอาชีวิตแม่เจ้าของชีวิตจะยิ้มรับหรือรับ จนถึงขั้นวิงวอนว่าเอาไปเสียทีเถิดแต่ท่านเท้าพญามมจุราชก็ทำเฉยเสมือนไม่ใหญ่ดีเพียงมาประทับให้ดูเล่นพองุดหิตใจไปทุกวันเป็นความตายที่ทรมานเหลือเกินร่างกายนี้ เป็นเสมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเองเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตระการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงใด ก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบกันอยู่ชัดแล้วว่าภายในแห่งหีบศพอันสวยงามนั้นมีแต่สิ่งปฏิกูลหน้ารังเกียจอ่าโลกโลกที่เต็มไปด้วยรุ่มพางอันน่าหวาดเสียว เต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเหมือนเหยียบย่างลงไปในป่าแห่งงูมันน่าขยะแขยงและน่าหวาดกลัวอะไรเช่นนั้นความรู้นั้นผิดกับอย่างอื่นยิ่งใช้ยิ่งพอกพูนงอกงามกว้างขวางถ้าไม่ใช้ก็หดแห้งหายไปเป็นอมพาธอาหารที่ไม่ได้ย่อยความรู้ที่ไม่ได้ใช้ ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นมีวิชาความรู้อย่างใดก็จงใช้วิชาความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นตามสมควรทํานองเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ที่ชอบคิด ชอบวาดภาพแห่งความลำบากยากเขียนเมื่อจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเขาคิดว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เขาลืมคิดไปว่าคนที่อยู่ในสภาพนั้นเขาอยู่กันได้อย่างไรทำไมเขาจึงอยู่ได้ความเคยชินความเคยชินนั่นเองทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ในทุกสภาพที่ตนจาเป็นจะต้องอยู่ คำว่าเคยแล้วสบายคำนี้ทรงความจริงไว้ได้ทุกกาละทุกสมัยและแก่ทุกคนแก่สิ่งที่มีชีวิตทุกจําพวกทําไมมนุษย์จึงไม่ค่อยพอใจในสภาพที่ตนอยู่เบื่อหน่ายและอิดระอาแต่พอจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่ก็กลัวความลําบากความช่างคิดช่างกลัวของเขานั่นเองทําให้เขามีความทุกข์ ความกังวลไม่รู้จักจบสิ้นเขาลืมนึกไปว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ในทุกฐานะขอให้เคยสัอย่างเดียวเท่านั้นทาไมเด็กขาหักตาพิการแขนขาดจึงยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้ทำไมจึงไม่ทุกข์ทนมนไม่จนตายไป นั้นที่แท้ก็คือความฝันอันยืดยาวและความฝันก็คือชีวิตในระยะสั้นนั่นเองโลกนี้คือคุกที่กว้างใหญ่คนที่อยู่ในโลกทั้งมวลเหมือนถูกขังอยู่ในคุกด้วยกันทั้งสิ้นแต่มันเป็นคุกที่กว้างใหญ่มีวิธีประหารชีวิตที่แตกต่างกันเท่านั้นความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ เกิดจากความดิ้นรนอันไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วแสวงหาอาหารให้แก่ใจที่ดิ้นรนนั้นต่างหากเล่าเมื่อจิตใจดิ้นรนอยู่เสมอแล้วความพอย่อมไม่มีและความทุกข์ความกลัดกลุ้มก็ตามมา ชีวิตของคนทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของท่านดอกเป็นเหมือนก้อนหินที่แขวนไปด้วยเส้นได้เส้นเล็กๆทั้งนั้นไม่มีนิมิตคือเครื่องหมายว่าจะตายในวันไหนแห่งใดและตายอย่างไรความกลัวตายเป็นความกลัวขั้นสุดยอดของสรรพสัตว์แต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นเงื่อมือของมจุราช ความรักนั้นเป็นเสมือนพระเจ้านั่นแหละมันแทรกซึมอยู่ทั่วไปตั้งแต่กระท่อมน้อยๆซึ่งมีแต่ลังคาของอยาจกผู้ยากไร้ไปจนถึงปราศาสราชมเทียนเข้าครอบคลุมหัวใจทุกๆหัวใจไม่เลือกว่าจะเป็นเพียงหญิงหักฟืนขายหรือมหาราชินีผู้ทรงเกียรติมนุษย์เราถ้าไม่ทำลายตัวเองแล้ว จะมีอะไรทำลายเขาได้ก่อนที่เขาจะถูกทำลายลงนั้นความจริงเขาได้ทำลายตัวของเขาเองมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยพระพุทธองค์เคยทรงเปรียบทายกผู้มีศรัทธามากแต่มีทรัพย์น้อย เหมือนช่างจัดดอกไม้ผู้ฉลาดสามารถจัดดอกไม้ให้สวยงามแต่น่าเสียดายที่เขาหาดอกไม้ไม่ค่อยได้แม้ได้มาก็เป็นดอกไม้ที่มีสีและส่วนทรงไม่ค่อยจะสวยแม้จะมีฝีมือดีอย่างไรก็ยากที่จะจัดดอกไม้ให้สวยได้ส่วนผู้ที่มีทรัพย์มากแต่ขาดศรัานั้นทรงเปรียบด้วยกับช่างจัดดอกไม้ผู้ไม่ฉลาด แม้จะมีดอกไม้สวยทั้งสีและสวดทรงก็ไม่สามารถที่จะจัดดอกไม้ให้สวยเช่นนั้นได้บุคคลจะมีทั้งทรัพย์และศรัทธาสมบูรณ์เสมอเสมอกันนั้นค่อนข้างจะหายากศรัทธาที่บริสุทธิ์นั้นหมายถึงศรัทธาของผู้ที่เชื่อกฎแห่งกรรมและผลของกรรมมีศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์แล้วให้ทานด้วยศรัทธานั้นมิใช่ศรัทธานในตัวบุคคลเพราะบุคคลเปลี่ยนแปลงได้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักอายุสั้น พลันตายเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าย่อมพลันเหือดแห้งไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์ชีวิตนี้ถูกไฟคือความแก่ความเจ็บแผดเผาอยู่ชั้นหนึ่งแล้วยังถูกไฟคือราคะโทสะและโมหะแผดเผาเข้าอีกมีความตายดักอยู่ข้างหน้าซึ่งใครๆจะหลีกเลี่ยงแวะไปทางอื่นมิได้เลย จะต้องเดินตรงไปสู่ความตายอย่างแน่นอน